หนึ่งโซลสระปัญหานิเทศแสดงปัญญาสิบหกประการคำว่าเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอธิบายว่าการได้ปัญญาเป็นอย่างไรคือการได้การได้เฉพาะการถึงการถึงเฉพาะการถูกต้องการทําให้แจ้งการเข้าถึงพร้อมซึ่งมัคคิญสี่ผลรยานสี่ปฏิสัมพิทายานสี่ ปัญญายาณหกยานเจ็ดสิบสามยานเจ็ดสิบเจ็ดนี้ชื่อว่าการได้ปัญญาในคาว่าย่อมเป็นไปเพื่อได้ปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาอธิบายว่าความเจริญแห่งปัญญาเป็นอย่างไรคือปัญญาของพระเสขเจ็ดจำพวกและของกรยานุทุชนย่อมเจริญปัญญาของพระอรหรันย่อมเจริญ ชื่อว่าความเจริญด้วยปัญญาที่เจริญแล้วนี้ชื่อว่าความเจริญแห่งปัญญาในคํางคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญแห่งปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความไพบู์แห่งปัญญาอธิบายว่าความไพบู์แห่งปัญญาเป็นอย่างไรคือปัญญาของพระเสขเจจำนพวกและของกัลยาณปุจุชนย่อมถึงความไพบู์ ปัญญาของพระอรหันต์ที่ถึงความไพยบู์แล้วนี้ชื่อว่าความไพบู์แห่งปัญญานคําคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความไพ่บู์แห่งปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากอธิบายว่าปัญญามากเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญามากเพราะกาหนดอาจได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกาหนดทาได้มาก ชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดนิรุตติได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดปฏิพานได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดศีลขันได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสมาธิขันได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดปัญญาขันได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิมุติขันได้มาก ชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิมุติยานัทสนขันได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดฐานะและอัถนะได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดวิหารสมาบัติได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอริยสัจได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสติปัฏฐานได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสัมปัฏฐานได้มาก ชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอิสิบาได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอินรีได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดพระได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดโพ่ชงได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอริยมรรคได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดสามัญญผลได้มากชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดอภิญยาได้มาก ชื่อว่าปัญญามากเพราะกำหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้มากนี้ชื่อว่าปัญญามากในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญามากคำว่าย me, ่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางอธิบายว่าปัญญากว้างขวางเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะยานเป็นไปในขันต่างๆกว้างขวาง ชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะยานเป็นไปในธาตุต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะยานเป็นไปในอายตนะต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะยานเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวางเพราะยานเป็นไปในความได้เนืองๆซึ่งความว่างต่างๆกว้างขวางชื่อว่าปัญญากว้างขวาง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 คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภัยบู์อธิบายว่าปัญญาภัยบู์เป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดอดาจภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดทภาภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดนิรุตติภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดปฏิพานภัยบู์ ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดศีแลขันภัยบูณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดสมาธิขันภัยบูรณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดปัญญาขันภัยบูรนชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดวิมุติขันภัยบูรณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดวิมุติญาณทัศนขันภัยบูรณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดฐานะและอฐานะภัยบู์ ชื่อว่าป be ัญญาภัยบณ์เพราะกำหนดวิหาร be ามาบัตภัยบ <Huh? S 3> ู์ชื่อว่าปัญญาภัยบณ์เพราะกำหนดอริสัตภัยบณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบณ์เพราะกำหนดสติปตาฐานไภัยบณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดสัมมาประธานภัยบณ์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดอิธิบาทภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดอินทรีย์ภัยบู์ ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดพระภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดพ่อชงไัยบู์ชื่อว่าปัญญาภพบูนเพราะกำหนดอริยมรรคภัยบูนชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดสามัญญผลภัยบูนชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดอภิญญาภัยบู์ชื่อว่าปัญญาภัยบู์เพราะกำหนดอภิญญาภัยบู์ ชื่อว่าปัญญาภัยบูนเพราะกําหนดนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งภัยบูนนี้ชื่อว่าปัญญาภัยบูนในคําว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาภัยบูนคําว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึง้งอธิบายว่าปัญญาลึกซึ้งเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในขันลึกซึง้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในธาตุลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอายตนะลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในปฏิจจสมุปบาทลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในความได้เนืองๆซึ่งความว่างต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอัตตต่างๆลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในธรรมต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในนิรุตติต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในปฏิพันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในศีลขันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะญาณเป็นไปในสมาธิขันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้ง เพราะยานเป็นไปในปัญญาขันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในวิมุตติขันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในวิมุตติญาณทัศนะขันต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในฐานะและอาฐานะต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในวิหารสมาบัติต่างๆลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอริยสัจต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในสติปัฏฐานต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในสัมมาปทานต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอิทธิบาทต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอินทรีย์ต่างๆลึกซึ้ง ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในภระต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในโพชงต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในอริยมรรคต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งเพราะยานเป็นไปในสามัญญผลต่างๆลึกซึ้งชื่อว่าปัญญาลึกซ um uh ึ้งเพราะยานเป็นไปในอภิญญาลึกซึ <Nh ư S 2> ้งชื่อว่าปัญญาลึกซ <owes S 1> <Yeah. S 2> ึ้ง เพราะยานเป็นไปนิพพานที่เป็นประโยชน์ลึกซึ้งนี้ชื่อว่าปัญญาลึกซึ้งในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาลึกซึง้งคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้อธิบายว่าปัญญาไม่ใกล้เป็นอย่างไรคืออัฏฐปฏิสัมพิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทาให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกาหนดอัฏ ธรรมปฏิสัมพิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกำหนดธรรมนิรุติปฏิสัมพิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกาหนดนิรุติปฏิภาณปฏิสัมพิทาบุคคลใดบรรลุแล้วทำให้แจ้งแล้วถูกต้องแล้วด้วยปัญญาโดยการกาหนดปฏิภาณ ธรรมนิรุติและปฏิพานของบุคคลนั้นใครอื่นสามารถจะถึงได้และบุคคลนั้นก็เป็นผู้หนึ่งที่ปุถุชนอื่นๆไม่สามารถจะเทียมทันได้เพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงเป็นปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของกัลยาณปุถุชนห่างไกลแสน ไ, ไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของบุคคลที่8เมื่อเทียบกับกัลยาณปุถุชน บุคคลที่แปดมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของบุคคลที่แปดห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระโสดาบันเมื่อเทียบกับบุคคลที่แปดพระโสดาบันมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระโสดาบันห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระสกทาคามีเมื่อเทียบกับพระโสดาบันพระสกทาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ ปัญญาของพระสกทาคามีห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอนาคามีเมื่อเทียบกับพระสกทาคามีพระอนาคามีมีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระอนาคามีห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ไม่ชิดกับปัญญาของพระอรหันต์เมื่อเทียบกับพระอนาคามีพระอรหันต์มีปัญญาไม่ใกล้ปัญญาของพระอรหันต์ห่างไกลแสนไกลไม่ใกล้ ไม่ชิดกับปัญญาของพระปัจเจกขพุทธเจ้าเมื่อเทียบกับพระอรหันต์พระปัจเจกขพุทธเจ้ามีปัญญาไม่ใกล้เมื่อเทียบกับพระปัเจกขพุทธเจ้าและโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงมีปัญญาไม่ใกล้พระผู้มีพระภาคทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญาทรงมียานแตกฉานทรงบรรลุ ป, ปฏิสัมภิทา ทรงบรรลุเวสาราชยานสี่เป็นผู้ทรงทศพลยานทรงเป็นบุรุษอ ง, งอาจทรงเป็นบุรุษดุดราชสีทรงเป็นบุรุษดุดนาคทรงเป็นบุรุษอาชาในทรงเป็นบุรุษผู้เอาทุระมีพระยานหาที่สุดมิได้มีพระเดชหาที่สุดมิได้มีพระยศหาที่สุดมิได้ทรงมั่งคัง่งทรงมีทรัพย์มากมีพระปัญญาเป็นทรัพย์ ทรงเป็นผู้นำเป็นผู้นำไปโดยวิเศษเป็นผู้ตามแนะนำทรงให้รู้จักประโยชน์ให้พินิจพิจารณาทรงเพ่งประโยชน์ทรงทำให้เลื่อมใจได้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงทามรรคที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นทรงทามรรคที่ยังไม่เกิดพร้อมให้เกิดพร้อมตรัสบอกมรรคที่ยังไม่ได้ตรัสบอกทรงรู้จักมรรคทรงรู้แจ้งมรรคทรงฉลาดในมรรค และสาวกของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ดำเนินไปตามมักอยู่ในบัดนี้จะพี่พร้อมด้วยศีลาที่คุณในภายหลังพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นมีพระจักสุมีพระยานมีพระธรรมเป็นดุจพระพรหมตรัสบอกนำความหมายออกมาประธานอมตะธรรมเป็นพระธรรมสามีเป็นพระธถาคต ไม่มีสิ่งที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นยังไม่ทรงทราบไม่ทรงเห็นไม่ทรงรู้แจ้งไม่ทรงทำให้แจ้งไม่ได้ทรงถูกต้องด้วยพระปัญญาทมทั้งปวงรวมทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันย่อมมาสู่ครองเฉพาะพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าโดยอาการทั้งปวงธรรมดาประโยชน์ที่ควรแนะนำอย่างใดอย่างหนึ่งในธรรมที่ควรรู้มีอยู่ เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นหรือประโยชน์ทั้งสองฝ่ายประโยชน์ในพบปัจจุบันหรือประโยชน์ในพบหน้าประโยชน์ตื้นหรือประโยชน์ลึกประโยชนย์ลี Downtown ้ลับหรือประโยชน์ปิดบังประโยชน์ที่ควรแนะนําหรือประโยชน์ที่แนะนําแล้วประโยชน์ที่ไม่มีโทษหรือประโยชน์ที่ไม่มีกิเลสประโยชน์ที่ผ่องแผ่วหรือประโยชน์อย่างยิ่งประโยชน์ทั้งหมดนี้ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณ กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างย่อมเป็นไปตามพระยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าพระยานของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าไม่ติดขัดในอดีตอนาคตปัจจุบันบทธรรมที่ควรแนะนํำมีอยู่เพียงใดพระยานก็มีเพียงนั้นพระยานมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนําก็ย่อมมีพระยานเป็นส่วนสุดรอบพระยานย่อมไม่เป็นไปเกินบทธรรมที่ควรแนะนํา ทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีอยู่ไม่เกินกว่าพระยานทํามเหล่านั้นตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันเหมือนชั้นแห่งผระอบสองชั้นทับกันสนิทพอดีชั้นผ้าอบด้านล่างก็ไม่เกินด้านบนชั้นผ้าอบด้านบนก็ไม่เกินด้านล่างชั้นผระอบทั้งสองย่อมวางประกบกันที่ส่วนสุดโดยรอบของกันและกันชั้นใด บทธรรมที่ควรแนะนำและพระญาณของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าก็ตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันชันนั้นเหมือนกันบทธรรมที่ควรแนะนำมีอยู่เพียงใดพระญาณก็มีอยู่เพียงนั้นพระญาณมีอยู่เพียงใดบทธรรมที่ควรแนะนำก็มีเพียงนั้นพระญาณย่อมมีบทธรรมที่ควรแนะนำเป็นส่วนสุดรอบบทธรรมที่ควรแนะนำก็ย่อมมีพระญาณเป็นส่วนสุดรอบ พระยานย่อมไม่เป็นไปเกินกว่าบทธรรมที่ควรแนะนำทางแห่งบทธรรมที่ควรแนะนำก็อยู่ไม่เกินกว่าพระยานธรรมเหล่านั้นย่อมตั้งอยู่ในส่วนสุดรอบของกันและกันพระยางของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปในธรรมทั้งปวงธรรมทั้งปวงนับเนื่องด้วยความนึกนับเนื่องด้วยความหวังนับเนื่องด้วยมนุการนับเนื่องด้วยจิตุบาทของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า พระยางของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าย่อมเป็นไปนในสัตว์ทั้งปวงพระผู้มีพระภาคทรงทราบอธิยาัยอนุสัยจริตอธิมุตของเหล่าสัตว์ทุกจาพวกทรงรู้จักเหล่าสัตว์ผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามที่พระองค์พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่าย พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากเป็นผ้าพระัตรผู้สมควรบรรลุธรรมเป็นอภัพปรัตรผู้ไม่สมควรบรรลุธรรมโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณปลาและเต่าชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งปลาติมิปลาติหนิงคละและปลาติมิติหนิงคละ ย่อมเป็นไปภายในมหาสมุทฉชั้นใดโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ย่อมเป็นไปภายในพระพุทธญาณชั้นนั้นเหมือนกันนกชนิดใดชนิดหนึ่งรวมทั้งครุฑนามว่าเวนไต ย, ย่อมบินไปในอากาศชั้นใดพระพุทธสาวกทั้งหลายผู้เสมอกับพระสารีบุตรด้วยปัญญา ก็ย่อมเป็นไปในส่วนแห่งพระพุทธญาณฉันนั้นเหมือนกันพระพุทธญาณย่อมแผ่ครอบคลุมปัญญาของเทวดาและมนุษย์อยู่เราบันดิตผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นข้าบดีเป็นสมณนะผู้มีปัญญาละเอียดรู้วาทะของผู้อื่นเหมือนนายขมังธนูสามารถยิงเนื้อทรายดุด จ, จะเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตน บัณฑิตเหล่านั้นพากานปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระตถาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซส์และตรัสแก้แล้วเป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาเพระทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศมีพระปัญญาไม่ใกล้ นี้ชื่อว่าปัญญาไม่ใกล้ในคําว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาไม่ใกล้คําว่าย่อมเป็นไปเพื่อคาวามเป็นผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินอธิบายว่าปัญญาดุดแผ่นดินเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะครอบงำราคะชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะครอบงำราคะแล้ว ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโทสะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโทสะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโมหะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโมหะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโกธะชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำโกธะแล้วชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำอุปนาหะมัคคะ พลาสะอิสามัชริยะมายาสาเทยียธถรมะสารมภะมาณะอติมาณะมะทะปมาทะกิเลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินเพราะครอบงำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน เพราะครอบงำกรรมอันเป็นเหตุให้เป็นไปสู่ภพทั้งปวงแล้วชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีราคะที่เป็นฆาสึกชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโทสะที่เป็นฆาสึกชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโมหะที่เป็นฆาสึกชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีโกทะอุปนาหะ มัคคปราสะอิสามัชริยะมายาสาเถยียธรรมภะสารมภะมานะอติมานะมัทะปมาทะกิเลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาดุดแผ่นดินเพราะเป็นปัญญาย่ำยีกรรมที่เป็นเหตุไปสู่พบทั้งปวงที่เป็นฆ่าศึกแผ่นดินท่านกล่าวว่าภูริ บุคคลประกอบด้วยปัญญาที่กว้างขวางไพ่บูนเสมอด้วยแผ่นดินนั้นเพระาะเหตุนัญญ剛剛 ouais ้นปัญญ า, ปป ญ, ญ, าาญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินอีกประการหนึ่งคำว่าภูรินี้เป็นชื่อของปัญญาปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินเป็นปัญญาทำลายกิเลสเป็นปัญญาเครื่องแนะนำเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดินนี้ชื่อว่าปัญญาดุจแผ่นดิน ในคําว wow. like ่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาดุดแผ่นดินคําว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาอธิบายว่าความเป็นผู้มากด้วยปัญญาเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้หนักด้วยปัญญาเป็นผู้ประพฤติด้วยปัญญามีปัญญาเป็นที่อาศัยน้อมไปด้วยปัญญามีปัญญาเป็นธงชัยมีปัญญาเป็นยอด มีปัญญาเป็นใหญ่มากด้วยการเลือกเฟ้นมากด้วยการค้นขวา้ามากด้วยการพิจารณามากด้วยการเพ่งพินิษมีการเพ่งพิจารณาเป็นธรรมดาประพฤติอยู่ด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้งมีความประพฤติงดเว้นด้วยปัญญาที่แจ่มแจ้งหนักในปัญญามากด้วยปัญญาโน้มไปในปัญญาโน้มไปในปัญญาเนื้มไปในปัญญาโน้มจตไปในปัญญา หล ust, the okay. ุดพ้นไปด้วยปัญญามีปัญญาเป็นใหญ่เปรียบเหมือนภิษุผู้หนักในคณะท่านเรียกว่าผู้มากด้วยคณะผู้หนักในจีวอนท่านเรียกว่าผู้มากด้วยจีวอนผู้หนักในบาศท่านเรียกว่าผู้มากด้วยบาศผู้หนักในเสนาสนะท่านเรียกว่าผู้มากด้วยเสนาสนะนี้ชื่อว่าความเป็นผู้มากด้วยปัญญาในคำว่า ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มากด้วยปัญญาคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วอธิบายว่าปัญญาเร็วเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญศีลได้เร็วไว้ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญอินทรียสังวรได้เร็วไว้ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญโภชเนมัตตัญญุตาได้เร็วไว้ชื่อว่าปัญญาเร็ว เพราะบัเพญชาคริยานุโยคได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบัมเพญศีลขันได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบัมเพญสมาธิขันได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบัมเพนปัญญาขันได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบัมเพญวิมุติขันได้เร็วไวชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบัมเพญวิมุติ ญ, ญาทณทัชนขันได้เร็วไว ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งฐานะและอาฐานะได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะบำเพ็ญวิหารสมาบัติได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็ววชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญสติปัฏฐานได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญสมัมมาปัฏฐานได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอิทธิบ า, า, า, าทได้เร็ววัย ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญภะละได้เร็ววยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญพ่อชงได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะเจริญอริยมรรคได้เร็ววชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะทำให้แจ้งสามัญผลได้เร็ววัยชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะรู้แจ้งอภิญญาได้เร็ววัย ชื่อว่าปัญญาเร็วเพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้เร็วไวนี้ชื่อว่าปัญญาเร็วในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเร็วคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลันอธิบายว่าปัญญาพลันเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบาเพ็ญศีลได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลัน เพราะบัมเพ็ญอินทสียสังวรได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบําเพญโภชเนมตันยุตาได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบําเพญชาคลียานุโยคได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบําเพนสินลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบําเพญวิมุตติญาณทัศนขันได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งฐานะและอถานะได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะบำเพ็ญวิหารสมาบัติได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งอริยสัจได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญสติปัฏฐานได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญสัมมาปัฏฐานได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอิทธิบาทได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอินทรีย์ได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญพละได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญโพ่อชงได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะเจริญอริยมรรตได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะทำให้แจ้งสามัญญผลได้เร็วพลันชื่อว่าปัญญาพลันเพราะรู้แจ้งอภิญญาได้เร็วพลัน ชื่อว่าปัญญาพลันเพราะทำให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งได้เร็วพลันนี้ชื่อว่าปัญญาพลันในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาพลันคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาร่าเริงอธิบายว่าปัญญาร่าเริงเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมาก มีความยินดีมากมีความปราโมทมากบำเพ็ญศีลเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทมากบำเพ็ญอินสียาสังวรเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงเรียกว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมาก มีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทมากบํมเพนโภชเ น, นมตันยุตาเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมทมากบํมเพนชาคริยานุโยคเพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริง บุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมชมากบำเพ็ญศีลขันสมาธิขันปัญญาขันวิมุตติขันบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมชมากบำเพ็ญวิมุตติญาณทัศนขันเพราะเหตุนั้น ปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้รู้แจ้งฐานะและอาฐานะบำเพ็ญวิหารสมาบัติให้เต็มรอกรู้แจ้งอริยสัจเจริญสติปัฏฐานเจริญสัมมาประฐานเจริญอิธิบาตเจริญอินทรีย์เจริญภะเจริญพ่อชงเจริญอริยมรรคบุคคลบางคนในโลกนี้ทำให้แจ้งสามั ญ, ญผล บุคลบ ค, นนลบคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมชมากทําให้แจ้งอภิญญาเพราะเหตุ น, นั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาร่าเริงบุคคลบางคนในโลกนี้มีความร่าเริงมากมีความพอใจมากมีความยินดีมากมีความปราโมชมากทําให้แจ้งนิพพานที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งด้วยปัญญานั้น เพราะเหตุนั้นปัญญานั้นจึงชื่อว่าปัญญาล่าเริงนี้ชื่อว่าปัญญาล่าเริงในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาล่าเริงคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาแล่นไปอธิบายว่าปัญญาแล่นไปเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่รูปทั้งปวงที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกอยาหรือละเอียดเลวหรือประณีดมีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปสู่เวทนา สัญญาสังขารชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปสู่วิญญาณทั้งปวงที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นภายในหรือภายนอกอย่าประหละเอียดเลวหรือประนีดมีอยู่ในที่ไกลหรือมีอยู่ในที่ใกล้โดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปสู่จักขคุชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปสู่ชราและมรณะที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันโดยความไม่เที่ยงชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะปัญญาพลันแล่นไปโดยความเป็นทุกข์ ชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะปัญญาพลันเล่นไปโดยความเป็นอนัตตาชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเทียงพินิษพิจารณาทําให้แจ้งว่ารูปที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เที่ยงเพราะมีชภาวะสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะมีชะาวะเป็นภัยชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีชภาวะไม่มีแกนสาร พลันเล่นไปในนิพานซึ่งเป็นความดับแห่งรูปชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจักขุชื่อว่าปัญญาเล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิจพิจารณาทำให้แจ้งว่าชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันชื่อว่าไม่เที่ยง เพราะมีสภาวะสิ้นไปชื่อว่าเป็นทุกข์เพราะมีสภาวะเป็นภัยชื่อว่าเป็นอนัตตาเพราะมีสภาวะไม่มีแกนสารแล้วพลันแล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งชราและมรณะชื่อว่าปัญญาแล่นไปเพราะเทียบเคียงพินิษฐพิจรารณาทําให้แจ้งว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่ง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 ชราและมรณะทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นสภาวะไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยกันและกันเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปเป็นธรรมดาแล้วพลันเล่นไปในนิพพานซึ่งเป็นความดับแห่งชราและมรณะนี้ชื่อว่าปัญญาเล่นไปในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเล่นไป คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลมอธิบายว่าปัญญาเฉียบแหลมเป็นอย่างไรคือชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะทําลายกิเลสได้ฉับพลันชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับกรรมวิตกต์ที่เกิดขึ้นไว้และบรรเทาทําทกรรมวิตกต์ที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับพยาบาทวิตกที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับวิหิงสาวิตกที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับบาปอคุสมรธรรมที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับราคะที่เกิดขึ้นไว้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับโทสะไว้และบัญเทาทําโทสะให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไป โมหะโกทะอุปนาหะมะะัคะปลาสะหิสามัชริยะมายาสาถทียฐัมภะสารัมภะมานะอติมานะมะทะปะมาทะกิเลทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะไม่รับกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นไวและบันเทา ทำกรรมอันเป็นเหตุให้ไปสู่ภพทั้งปวงที่เกิดขึ้นให้สิ้นสุดให้ถึงความไม่มีอีกต่อไปแล้วชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมเพราะทําให้บรรลุทําให้แจ้งทําให้ถูกต้องอริยมรรสีสามัญญผลสีปฏิสัมพิทาสีอภิญญาหกนะอจนะเดียวนี้ชื่อว่าปัญญาเฉียบแหลมในคําว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม คำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกยิเลตอธิบายว่าปัญญาชำแรกยิเลตเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสสดุ้งเป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียวเป็นผู้มากด้วยความเบื่อนายเป็นผู้มากด้วยความระอาเป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจเบื่อนหน้าออกไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมชัแรก ทำลายกองโลภ ะ, ะที่ไม่เคยชําแรกไม่เคยทําลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชําแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ทําลายกองโทสะที่ไม่เคยชําแรกไม่เคยทําลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญาชําแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ทําลายกองโมหะที่ไม่เคยชําแรกไม่เคยทําลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่า ปัญญาชํแรกกิเลสบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมชําแรกทําลายโกทะอุปนาหะมะะัคคะปราศะอิสามาฉริยะมายาสาถทียะถามพะสารัมะมานะอติมานะมัทะประมาทะกิเลสทั้งปวงทุจริตทั้งปวงอภิสังขารทั้งปวงบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มากด้วยความสะดุ้ง เป็นผู้มากด้วยความหวาดเสียวเป็นผู้มากด้วยความเบื่อหน่ายเป็นผู้มากด้วยความระอาเป็นผู้มากด้วยความไม่พอใจเหมือนหน้าหนีไม่ยินดีในสังขารทั้งปวงย่อมชําแรกทําลายกรรมซึ่งเป็นเหตุให้สัตไปสู่ภพทั้งปวงที่ไม่เคยชําแรกไม่เคยทําลายด้วยปัญญาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าป um ัญญาชําแรกกิเลสนี้ชื่อว่าป um ัญญาชําแรกกิเลส ในคำว่าย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสปัญญาเหล่านี้เรียกว่าปัญญาสิหกประการบุคคลประกอบด้วยปัญญาสิกประการนี้ชื่อว่าผู้บรรลุปฏิสัมพิทา พละวิเศษนิเทศแสดงบุคคลวิเศษบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกหนึ่งถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนพวกหนึ่งไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนพวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนนั้นและยานของบุคคลผู้ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนย่อมแตกฉาน บุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกที่ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเป็นผหูสูดพวกหนึ่งไม่ได้เป็นผหูสูดพวกที่เป็นผหูสูดเป็นพวกที่ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่ได้เป็นผหูสูดนั้นและยางของบุคคลผู้เป็นผหูสูดนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวก คือ พ, พวกที่บรรลุปฏิสัมพิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพระหูสูตรก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมากด้วยเทศนาพวกหนึ่งไม่มากด้วยเทศนาพวกที่มากด้วยเทศนาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่มากด้วยเทศนานั้นและอย่างของบุคคลผู้มากด้วยเทศนานั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวก คือพวกที่บรรลุ ป, ปฏิจสมพิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นผู้หูสูดก็มีสองจำพวกและพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งอาศัยครูพวกหนึ่งไม่อาศัยครูผู้ที่อาศัยครูเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่อาศัยครูนั้นและญาณของบุคคลผู้อาศัยครูนั้นย่อมแตกฉาน ผูคนผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมพิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นผู้หูสูรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกและพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมีวิหารธรรมมากพวกหนึ่งมีวิหารธรรมไม่มากพวกที่มีวิหารธรรมมากเป็นผู้ประเสริฐวิเศษ ยิ่งกว่าพวกที่มีวิหารธรรมไม่มากนั้นและอย่างของบุคคลผู้มีวิหารธรรมมากนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมพิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นผูหูสูดก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวก และพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งมีการพิจารณามากพวกหนึ่งมีการพิจารณาไม่มากพวกที่มีการพิจารณามากเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่มีการพิจารณาไม่มากนั้นและยางของบุคคลผู้มีการพิจารณามากนั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุ ป, ปฏิสัมพิทา ถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพระหูสูตรก็มีสองจำพวกพวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่อาศัยครูก็มีสองจำพวกพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกและพวกที่มีการพิจารณามากก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งเป็นพระเสขะบรรลุปฏิสัมพิทาพวกหนึ่งเป็นพระอเสขะบรรลุปฏิสัมพิทา พวกที่เป็นพระอเศสขะบรรลุปฏิสัมพิทาเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่เป็นพระเศสขะบรรลุปฏิสัมพิทานั้นและญาณของพระอเศสขะผู้บรรลุปฏิสัมพิทานั้นย่อมแตกฉานบุคคลผู้บรรลุปฏิสัมพิทามีสองจำพวกคือพวกที่บรรลุปฏิสัมพิทาถึงพร้อมด้วยความเพียรมาก่อนก็มีสองจำพวกแม้พวกที่เป็นพระหูสูตรก็มีสองจำพวก พวกที่มากด้วยเทศนาก็มีสองจำพวกพวกที่มีวิหารธรรมมากก็มีสองจำพวกพวกที่มีการพิจารณามากก็มีสองจำพวกและพวกที่เป็นพระอเศษขะบรรลุปฏิสัมพิทาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งบรรลุสาวกบารมีพวกหนึ่งไม่บรรลุสาวกบารมีพวกที่บรรลุสาวกบารมีเป็นผู้ประเสริฐพิเศษยิ่งกว่าพวกที่ไม่บรรลุสาวกบารมี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 พวกที่มีก horses, ารพิจารณามากก็มีสองจำพวกและ พ, พวกที่เป็นพระอเศสขะบรรลุปฏิสัมพิทาก็มีสองจำพวกคือพวกหนึ่งบรรลุสาวกบรมีพวกหนึ่งเป็นพระปเจกสัมพุทธเจ้าพวกที่เป็นพระปเจกสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าพวกที่บรรลุสาวกบรมีนั้นและญาณของผู้เป็นพระปเจกสัมพุทธเจ้านั้นย่อมแตกฉาน เมื่อเทียบกับพระปัจเจกพุทธเจ้าและโลกพร้อมทั้งเทวโลกพระธาคติพระหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นผู้เลิศทรงบรรลุ ป, ปฏิสัมพิทาทรงฉลาดในประเภทแห่งปัญญามีพระญาณแตกฉานทรงบรรลุ ถ, ถึงปฏิสัมพิทาทรงบรรลุเวสาราชยานสี่ทรงเป็นผู้ทรงทศพลรยานทรงเป็นบุรุษองค์อาจทรงเป็นบุรุษดุจราชสีเหล่าบัณฑิต ผู้เป็นกษัตริย์เป็นพราหมณ์เป็นข้าบดีเป็นสมณะผู้มีปัญญาละเอียดรู้ว่าทะของผู้อื่นเหมือนแนวขมังธนูสามารถยิงเนื้อทายดุ จ, จะเที่ยวทำลายทิฐิของผู้อื่นด้วยปัญญาของตนบัณฑิตเหล่านั้นพาการปรุงแต่งปัญหาเข้าไปหาพระธาคตทูลถามปัญหาทั้งลี้ลับและปิดบังปัญหาเหล่านั้นที่พระผู้มีพระภาคทรงซักไซสและตรัสแค่แล้ว เป็นปัญหามีเหตุให้ทรงแสดงขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระปัญญาพระทรงแก้ปัญหาเหล่านั้นเพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงทรงเป็นผู้เลิศทรงบรรลุปฏิสัมพิทาดังนี้มหาปัญญาคถาจบสองอิทธิกถาว่าด้วยฤทธิฤทธิเป็นอย่างไรฤทธิมีเท่าไหร่ ภูมิแห่งฤทธิ์มีเท่าไรบาตแห่งฤทธิ์มีเท่าไรบทแห่งฤทธิ์มีเท่าไรมูลแห่งฤทธิ์มีเท่าไรถามฤทธิ์เป็นอย่างไรตอบชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จถามฤทธิ์มีเท่าไรตอบฤทธิ์มีสิบอย่างถามภูมิแห่งฤทธิ์มีเท่าไรตอบภูมิแห่งฤทธิ์มีสี่อย่างบาตแห่งฤทธิ์มีสี่อย่าง บทแห่งฤตมี8ดอย่างมูลแห่งฤตมีสิบหอย่างฤิสิบอย่างอะไรบ้างคือ 1. นึธิฤที่อธิษฐาน 2. องฤตที่แสดงได้ต่างๆสามฤตที่สำเร็จด้วยใจ 4. ี่ฤตที่แพ่ไปด้วยญาณ 5. ้าฤตที่แพ่ไปด้วยสมาธิหกฤตของพระอริยะ 7. ็ดฤตที่เกิดจากผลกรรม แฤทธิ์ของท่านผู้มีบุญ 9. ก้าฤทธิ์ที่สำเร็จมาจากวิชาสิทธิ์ชื่อว่าฤทธิ์เพราะมีสภาวะสำเร็จด้วยการประกอบโดยชอบในส่วน น, นั้นๆเป็นปัจจัยภูมิแห่งฤทธิ์สี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. ปฐมฌานเป็นภูมิเกิดจากวิเวก 2. ทุติยฌานเป็นภูมิแห่งปิติและสุข 3. ตติยฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขาและสุข สี่จตุทัชฌานเป็นภูมิแห่งอุเบกขาภูมิแห่งฤติสี่อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤธิเพื่อความได้เฉพาะฤธิเพื่อแสดงฤธิได้ต่างๆเพื่อความสําเร็จแห่งฤธิเพื่อความชํานาญในฤธิเพื่อความก ล, วกล้าๆด้วยฤติบาแห่งฤติสี่อย่างอะไรบ้างคือพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยฉันทสมาธิประธานสังขาร สเจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิริยะสมาธิประธานสังขาร 3. เจริญอิธิบาทอันประกอบด้วยจิตตะสมาธิประธานสังขาร 4. เจริญอิทธิบาทอันประกอบด้วยวิมังสาสมาธิประธานสังขารบาทแทงฤิศสี่อย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ริศเพื่อความได้เฉพาะริศเพื่อแสดงริศได้ต่างๆเพื่อความสําเร็จแห่งริศเพื่อความชํานาญในริศ เพื่อความเกล้ากล้าด้วยฤทธิ์บทแหง่งฤทธิ์แปดอย่างอะไรบ้างคือถ้าภิกษุอาศัยฉันทะได้สมาธิได้เอกคตาจิตฉันทะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่ฉันทะฉันทะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าภิกษุอาศัยวิริยะได้สมาธิได้เอกคตาจิตวิริยะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิริยะ วิริยะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าพิสูุอาศัยจิตตะได้สมาธิได้เอกคะตาจิตจิตตะไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่จิตตะจิตตะเป็นอย่างหนึ่งสมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งถ้าพิสุอาศัยวิมังสาได้สมาธิได้เอกคตาจิตวิมังสาไม่ใช่สมาธิสมาธิก็ไม่ใช่วิมังสาวิมังสาเป็นอย่างหนึ่ง สมาธิก็เป็นอย่างหนึ่งโบทแห่งฤิสแปดอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ริเพื่อความได้เฉพาะริสเพื่อแสดงริสได้ต่างๆเพื่อความสำเร็จแห่งริสเพื่อความชำนาญในริสเพื่อความก ล, วกล้าด้วยริสมูลแห่งริสสิบกอย่างอะไรบ้างคือหนึ่งจิตไม่ฟุบลงย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรคร้านเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนเนนชาไม่หวั่นไหว สจิตไม่ฟูขึ้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอุทัจจะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาสจิตไม่ยินดีย่อมไม่หวั่นไหวเพราะราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาสจิตไม่มุ่งร้ายย่อมไม่หวั่นไหวเพราะพยาบาทเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาหจิตอันทิฏฐิไม่อาศรรยัยย่อมไม่หวั่นไหวเพราะทิฏฐิ เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาหจิตไม่พัวพันย่อมไม่หวั่นไหวเพราะฉันทราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาเจ็ดจิตหลุดพ้นย่อมไม่หวั่นไหวเพราะการมราคะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชา8จิตไม่เกาะขิยวย่อมไม่หวั่นไหวเพราะกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาเก้า จิตปราศจากเครื่องครอบงำย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความครอบงมกิเลสเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาสิจิตที่เป็นเอขคตารมณย่อมไม่หวั่นไหวเพราะกิเลสต่างๆเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาสิอจิตที่กำหนดด้วยศรัทธาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความไม่มีศรัทธาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาสิบสอง จิตที่กําหนดด้วยวิร um ิยะย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความเกียรคร้านเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาสิบสาจิตที่กําหนดด้วยสติย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความประมาทเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนญชาสิบสจิตที่กําหนดด้วยสมาธิย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอุทจฉะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอเนนชาสิบห้า จิตที่กำหนดด้วยปัญญาย่อมไม่หวั่นไหวเพราะอาวิชชาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนเนนชาสิบหกจิตที่ถึงความสว่างสวยัยย่อมไม่หวั่นไหวเพราะความมืดคืออวิชชาเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าอนเนนชามูลแห่งฤทธิ์สิบหกอย่างนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความได้ฤทธิ์เพื่อความได้เฉพาะฤทธิ์เพื่อแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเพื่อความสาเร็จแห่งฤทธิ์ เพื่อความเป็นผู้ชำนาญในริ์เพื่อความกล้กลาด้วยริย์